592-1991 วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็แเเมเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลก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 มาพูดคุยเชิงสร้างสรรค์ทั้งในประเทศแล้วต่างประเทศนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้วันนี้เป็นวันพักผ่อนซึ่งจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ด้วยความสดชื่นใส่นะคะเรื่องราวในช่วงแรกช่วงอยากเล่าเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวไทยเรื่องของชาวนาไทยที่มีความพยายามที่จะทำให้ชาวนาของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตมีศักยภาพที่ดีขึ้นนะคะมีผลิตภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคะ เ, เราขายข้าวสักกี่ตันละ่ะเราซื้อแอปเปิลได้เครื่องหนึ่งขายข้าวสัก เ, เป็นเกวียนเนาะตอนตอนเด็กเราจะเรียกดิฉันเป็นลูกชาวนานเนาะก็จะเรียกว่าเกวียนหนึ่งขายขายสักสามเกวียนไหมสามเกวยน3มเกวียนก็จะได้ โทรศัพท์เครื่องนึงเนาะยังไม่ระบุด้วยว่ายี่ห้ออะไรนะคะนั่นนี่คือมูลค่าที่เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนมากเรารัฐบาลเนี่ยพยายามจะพูดในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรบ้านเรามาระยะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเรื่องของยางพาราเนี่ยเราพูดกันมาเยอะมากข้าวยางพารามันสัมปะหลังอ้อยนะคะซึ่งเป็นเกษตรเชิงเดียวในบ้านเรามีเยอะมากนะคะถ้าเกิดเราเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนจากการขายข้าวอย่างเดียวมาทําเป็น มาทำเป็นเพิ่มมูลค่าเป็นน้ํามันรําข้าวสมมติพูดง่ายๆนะจากข้าวธรรมดาเป็นน้ํามันรําข้าวจากข้าวธรรมดาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครกเกอร์ตอนนี้เราเห็นมากขึ้นเนาะเป็นข้าวแตนเล็กๆเป็นเป็นแซนด์ที่จะส่งไปขายในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของเราหรือแม้แต่ยางพาราเมื่อก่อนเราส่งเป็นแต่ยางแผ่นดิบยางแผ่นดิบ ตอนนี้เราก็จะเห็นในการแปลรูปหรือในการเพิ่มมูลค่านำยางพาราไปทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักกลางปีจนถึงต้นปีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความพยายามในการที่จะภาครัฐเนี่ยจะส่งเสริมให้นํายางพาราไปทำถนนเนาะนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรบ้านเราเอากลับมาในเรื่องข้าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรดิฉันอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยธนาคาราทอกอสอนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะร่วมมือกับมูลนิธิข้าวไทยรงนามความร่วมมือในการที่จะพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวแล้วก็ชาวนาไทยยุคใหม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าชาวนาไทยยุคใหม่เนี่ยมีความกังวลกันว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะทํานา ยุคหนึ่งอะนะคะยุคนึงไม่อยากทำนาเพราะว่าทำแล้วเนี่ยารายได้มันไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังมีหนี้มีหนี้สินแล้วก็คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะทำนาแต่ปรากฏว่าพอความล้มเหลวหรือระบบเศรษ ฐ, ฐกิจที่การเลิกจ้างเกิดขึ้นในสังคมทุนเสรีเนี่ยมันทำให้คนไทยหรือลูกจ้างพนัก ง, งานเงินเดือนเนี่ยกลับมาคิดว่าเอ้ย ที่นาที่บ้านของเราที่ไร่ที่สวนที่มีมันสามารถ เ, าเป็นต้นทุนชีวิตได้เราสามารถอยู่กับมันได้นะคะโดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้หยิบเรื่องราวของอน้องอิ่มนะคะที่จากาบัฑิตจบมาแล้วก็กลับไปพลิกฟื้นให้ชุมชนที่บ้านเนี่ยมีความเข้มแข็งสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะมีความกังวลกันว่าชาวนาไทยรุ่นใหม่เนี่ย จะกลับมาทำนาไหมจะมีทายาทที่จะสืบต่ออาชีพชาวนาของไทยหรือไม่นะคะตรงนี้เนี่ยวันนี้หายห่วงได้ไปเปล่าหนึ่งเพราะว่าคนรุ่นใหม่กลับมาสานต่อแล้วก็ทำนาแบบแบบมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันด้วยนะคะโดยความร่วมมือ ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับมูลนิธิข้าวไทยเนี่ยก็ได้มีความมีการตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตและก็พัฒนาชาวนาไทยโดยในงานเนี่ยมีดรสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูประถมกับนายอภิรม์สุประเสรศิฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะโดยในความในความร่วมมือครั้งนี้เนี่ย ก็จะมุ่งในเรื่องของการผลิตแล้วก็พัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าวไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศนะคะโดยดรสุเมศร์เนี่ยท่านก็พูดในฐานะประธานมูลนิธิก็บอกว่าความร่วมมือเนี่ยได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการผลิต ข้าวการค้าข้าวและก็ชาวนาไทยโดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนกลุ่มผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการใหม่ในการจัดทําโครงการต่างๆร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาข้าวไทยอย่างครบวงจรอย่างเช่นการจัดทําโครงการค่ายอนุชนชาวนาไทยเพื่อที่จะสร้างชาวนาไทยรุ่นใหม่การจัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยการแลกเปลี่ยนและก็ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวที่เหมาะสมถูกต้อง นะคะแล้วก็การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านข้าวให้กับชาวนาไทยแล้วก็สร้างฐานข้อมูลเรื่องข้าวอย่างครบวงจรท้งข้อมูลองค์กรผู้ผลิตผู้ประกอบการนักวิชาการแล้วก็นักวิจัยด้านข้าวเพื่อให้บุคคลผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเรื่องข้าวได้สะดวกสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะส่วนทางด้านทกศก็บอกว่ า, าทางาคุณอภิรมสุประเสริฐผู้จัดการธนาคาร ทกสเนี่ก็บอกว่าความร่วมมือนี้เนี่ยมุ่งเน้นการส่งเสริมชาวนาไทยรุ่นใหม่โดยร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าววัฒนธรรมการผลิตแล้วก็การบริโภคข้าวต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยแล้วก็เศรษฐกิจของชาติควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้บุตรหลานชาวนาได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการทานาที่ทันสมัยผ่านระบบการศึกษาทั้งระบบและ ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างชาวนาไทยยุคใหม่รุ่นใหม่นะคะเพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันการประชุมเวทีข้าวไทยการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติจัดโครงการคัดเลือกชาวนาตัวอย่างร่วมกับองค์กรภาคีรวมถึง การส่งเสริมให้เกษตรก ร, กรชุมชนวิสาหกิจชุมชนนำนวัตกรรมข้าวจากการประกวดพัฒนาต่อยอดนำความรู้เทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทำนานะคะปีนี้เดาว่าข้าวจะแพงค่ะเพราะว่าพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญเหมือนกันในการที่จะปลูกข้าวถ้าคุณดูฟัง เคยได้ยินหรือติดตามในเรื่องของข้าวคุณภาพดีของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเนี่ยพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ทุ่งกุลาลองไห้ทางภาคอีสานนะคะหรือรวมถึงบางพื้นที่ของอจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจมน้านะคะแน่นอนว่าราคาข้าวดีค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเกษตรก ร, ะกรจะชิมได้ไหมเพราะว่าพื้นที่นั้นล่มพื้นที่นา น, นั้นล่มไปกับ พายุที่เกิดขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงใจให้กับเกษตรกรไทยที่รายได้แต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับฟ้าฝนเหลือเกินนะคะก็เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะกลับมาในช่วงหน้ามีเรื่องเล่าดีๆจากอีกมุมโลกหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังพักฟังเพลงครู่เดียวค่ะ As the steamer moves away, flower of Malaya, I cannot stay. Make way, oh make way for my Eastern Rose. Men crowd in dozens everywhere she goes. In her rickshaw on the street, or in a cabaret. Please make way for Rose. You can hear them say. All my life I shall remember oriental music and you in my arms, perfume flowers in your tresses, lotus anded breezes and swaying palms. Rose, rose, I love you with your almond eyes, fragrant and slender. Tropical skies. I must cross the seas again and never see you more. Way back to my home on a distant shore. I leave you. My ship is in the bay. Kiss me farewell. Now there's nothing to say. East is east and west is west. Our worlds are far apart. I must leave you now, but I leave my heart. Rose, rose, I love you with an aching heart. What is your future? Now we have to part.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 กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเป็นเรื่องเป็นราวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอยากรู้เรื่องราวดีๆที่หยิบเอามาฝากกันนี้อยู่ทางฝั่งประเทศอังกฤษนะคะเป็นเรื่องของอวัยรุ่นอังกฤษตาบอดหลังจากที่กินมันฝรั่งโอ้น่ากลัวไห เดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงตาบอดหลังจากกินมันฝรั่งนะคะเป็นข่าวจาก BBC News นะคะมีคําเตือนจากแพทย์อังกฤษให้ทุกคนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเลือกกินค่ะไม่ใช่กินแค่มันฝรั่งธรรมดานะเขาเลือกกินแต่มันฝรั่งนะคะเป็นพฤติกรรมเลือกกินอาหารแบบสุดขั้วเพราะพบว่าวัยรุ่นคนนี้เนี่ยอายุเพียงแค่17ปีเองนะคะต้องตาบอดถาวรเพราะว่าเลือกกินแต่มันฝรั่งแล้วก็ขนมกรุบกรอบ แบบเป็นอาหารหลักเลยกินกินแทนข้าวกินแทนอย่างอื่นมาเป็นเวลาหลายปีนะคะโดยกรณีนี้เนี่ยมีรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ a n n o f f i c e uh, a n n of n o International Medicine นะคะโดยจักูุแพทย์ประจำโรงพยาบาลรักษาโรคตาเมืองบริสตอล ร, ระบุว่าวัยรุ่นคนนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคเส้นประสาทตาเสื่อมจากภาวะทุก ทุพะโพชนาการนะคะเนื่องจากเลือกกินแต่อาหารจำพวกมันฝรั่งเช่นเฟรนช์ฟ l ายซึ่งปกติเนี่ยจะรับประทานคู่กับปลาทอดหรืออาหารหลักของอังกฤษก็คือฟิสต์แอนด์ชิพนะคะแล้วก็มันฝรั่งทอดแผ่นบางในรูปของขนมกรุบกรอบที่มีจำหน่ายทั่วไปนะคะ ผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมเลือกกินอาหารแบบนี้มาตั้งแต่เรียนจบประถมศึกษาค่ะเพราะต้องการหลีกเลี่ยงรสชาติและก็ผิวสัมผัสบางอย่างในอาหารที่เขาไม่ชอบนะคะทําให้มันฝรั่งและก็ขนม ก, กรอบเนี่ยกลายเป็นอาหารอย่างเดียวเลยที่เขากินได้แล้วก็มีความรู้สึกอยากจะรับประทานจริงๆนอกจากนี้ยังกินขนมปังขาวที่ทําจากแป้งที่ขัดสีแล้วรวมทั้งกินผลิตภัณฑ์เนื้อแปร ى, รูปอย่างพวกแฮมแล้วก็ไส้กรอกบ้าง เล็กน้อยนะคะนานๆครั้งก็คือเลือกกินแต่เฉพาะพวกนี้คืออาหารไม่ได้มีความหลากหลายเลยวัยรุ่นคนนี้เนี่ยก็มาพบแพทย์ครั้งแรกเมื่ออายุเพียง14ปีเองค่ะคุณผู้ฟังคะโดยบอกว่ามีอาการอ่อนเพลียไม่สบายไม่ทราบสาเหตุหลังจากแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็พบว่าขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรงแล้วก็ได้ให้วิตามินเสริมไปรับประทานแต่เขาก็ไม่ยอมทาตามที่ แพทย์สั่งนะคะรวมทั้งไม่ปรับปรุงพฤติกรรมการกินอาหารแล้วก็ไม่ยอมกินผักและผลไม้เลยไม่กินเลยนะคะคุณผู้ฟังดรแดนิเซอาทันนะคะแพทย์ผู้ให้การรักษาวัยรุ่นคนนี้ก็บอกว่าเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้งในเวลา3ปีต่อมาโดยคราวนี้เนี่ยอาการของเขาก็คือดวงตาสองข้างเนี่ยกำลังมืดมัวลงเรื่อยๆจากผลการตรวจวินิจฉัยเพบว่าเขายังคงขาดวิตามิน B12 รวมทั้งวิตามินดีแล้วก็แร่ธาตุสำคัญอื่นๆอย่างเช่นทองแดงแล้วก็ซิลิเนียมซิลิเนียมนะคะก็น้ำหนักตัวของเขาอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะไม่ได้ผ่ายผอมอะไรนะคะไม่ผอมไม่อ้วนเกินแต่มีภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงทั้งยังกระดูกผุเพราะสูญเสียแร่ธาตุจากภายในซึ่งถือว่าน่าวิตกนะคะน่าตกใจค่ะเพราะว่าเขาอายุเพียงน้อยมากนะคะอายุเพียง17ปีเท่านั้นเอง อาการที่พบเนี่ยคือมีจุดบอดอยู่ตรงกลางภาพที่เขามองเห็นซึ่งหมายความว่าเขาจะขับรถไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์หรือแยกแยะใบหน้าคนได้ลําบากแต่ยังพอจะเดินไปไหนมาไหนได้เพราะว่ายังมองเห็นภาพด้านข้างอยู่บ้างอย่างไรก็ตามผู้ป่วยตัดสินใจมาพบแพทย์ช้าเกินไปทําให้เส้นใ ย, ยประสาทในเส้นประสาทตาตายลงแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างถาวร น, นะคะไม่อาจรักษาได้ท้ายที่สุดแพทย์จึงวินิจฉัยว่า วัยรุ่นคนนี้เนี่ยมีอาการเข้าข่ายเป็นคนตาบอดตามเกณฑ์ที่ทางการกําหนดไว้โดยดรอาทันก็กล่าวเตือนไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าต้องตระหนักถึงอันตรายจากพฤติกรรมการเลือกกินของบุตรหลานแล้วก็ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยด่วนหากพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวาพบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวส่วนผู้ที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติอย่างนี้ไม่ควรวิตกมากจนเกินไปค่ะแต่ค่อยๆหันมาปรับรับประทานอาหารชนิดใหม่ ไปทีละน้อยทีละมื้อนะคะมื้อละอย่าง2 อ, อย่างโดยไม่ฝืนตัวเองจนเครียดนะคะส่วนผู้ที่เลือกรับประทานอาหารมังสวิรัตหรือว่าวีแกนหากกังวลว่าจะขาดวิตามิน B12 ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ก็อาจจะกินอาหารที่มีการเสริมวิตามิน B12 เป็นพิเศษอย่างเช่นธัญพืชนมถั่วเหลืองบางยี่ห้อรวมทั้งกินสารสกัดจากยีสต์ด้วยตรงนี้ก็จะช่วยได้ที่สุดแล้วอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็คืออย่าเลือกรับประทานค่ะรับประทานให้ครบ 5 ห, หมู่เท่านั้นก็จะหายกังวลจากอาการเหล่านี้ได้นะคะแต่อายุน้อยมากเองอายุน้อยมากจริงๆนะอายุแค่17เองนะคะยังอยู่ที่อังกฤษค่ะเป็นเรื่องของอที่ลอนดอนนะคะเขาก็มีแนวความคิดที่อยากจะแจกแคปซูลน้ำให้สำหรับผู้ที่วิ่งมาราทอนเพื่อที่จะลดการใช้พลาสติกลงนะคะข่าวนี้ขอบคุณข่าวจากสำนักข่าว r e e n n นิวค่ะ บอกว่าการวิ่งมาราธอนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องใช้ขวดน้ำพลาสติกหรือชิ้นส่วนพลาสติกมหาศาลเลยในการจะจัดวิ่งแต่ละครั้งทั้งแก้วแล้วก็ขวดน้ำเนี่ยแต่ภาพดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏขึ้นในงานลอนดอนมาราธอนปี2019ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะโดยมีผู้เข้าร่วมวิ่ง ถึง 40,100 คนได้รับน้าดื่มที่บรรจุอยู่ในขวดหรือแก้วพลาสติกจากทุกสถานีน้าดื่มเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ในบางสถานีเนี่ยเขากลับได้รับน้าดื่มที่บรรจุในถุงทรงลูกบอลที่ผลิตมาจากสาลายนะคะโดยเจ้าลูกบอลสาลายนี้มีน้ำอยู่ภายในหรือรู้จักกันในชื่อว่า โอ้โหโอ้โหนะคะพวกมันถูกคิดค้นโดยบริษัทสตาร์ทอัพในอังกฤษที่ชื่อว่า Skipping Lock Lab นะคะโดยการนำเอาก้อนสาลายมาผลิตเนื้อเยื่อแล้วมามาทำเป็นถุงซึ่งถุงที่ว่านี้เนี่ยสามารถบรรจุของเหลวได้หลายชนิดค่ะทั้งน้ำดื่มแล้วก็เกลือแร่สำหรับนักกีฬาขณะที่ตัวถุงเองเนี่ยออกแบบให้ย่อยสาลายได้เองภายในหสัปดาห์ แค่วางทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยค่ะมันจะย่อยสลายเองโดยสาเหตุที่ใช้เจ้าโอโฮเนี่ยมาใช้ในงานลอนดอนมาราธอนก็เพราะว่าผู้จัดงานต้องการทำให้งานในปีนี้เนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะน้ำดื่มแล้วก็เครื่องดื่มที่ให้พลังงานทั้งหมดถูกแจกจ่ายในบรรจุภัธุ์ที่ย่อยสลายได้ที่จุดเติมน้ำเพื่อที่จะลดขยะจากขวดพลาสติกนะคะโดยมีการตั้งเป้าที่จะลดจานวนขยะจากขวดพลาสติก จาก9 2 0 0 0 0ใบในปีก่อนหน้าให้เหลือ7 4,000 ขวดในปีนี้นะคะคือค่อยๆปรับลดลงนอกจากการนำแคปซูลน้ำหยดน้ำมาใช้แล้วเนี่ยทีมผู้จัดยังมีมาตรการอื่นๆในการที่จะลดขยะพลาสติกอีกเช่นปรับลดสถานีน้ำดื่มจาก26 เป็น19จุดนะคะทดลองใช้เข็มขัดห้อยกระบอกน้าที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลสำหรับนักวิ่งในการพกน้ำดื่มในระยะในระหว่างวิ่งอันนี้คือเป็นเรื่องจริงจังในต่างประเทศทำเป็นเรื่องจริงจังเลยดิฉันก็มีความฝันว่าในประเทศไทยก็จะทาให้เป็นเรื่องจริงจังได้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเราจะลดการใช้พลาสติกลงได้อย่างไรนะคะทั้งหมดคือเรื่องราวในเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ มีการส่งสัญญาณมาว่ายังไม่พอยังอยากรู้อีกยังอยากรู้อีกนะคะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของยังอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยดิฉันในสัปดาห์นี้นี่หาเรื่องของลอนดอนมาฝากกันเยอะเลยนะคะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะทาให้ลอนดอนเนี่ยกลายเป็นอุทยาน เป็นเมืองอุทยานแ ห, แ, หาแห่งชาติแห่งแรกของโลกนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยมหานครลอนดอนเนี่ยกำลังจะยกระดับตัวเองเป็นเมืองอุทยานแห่งชาติหรือว่า National Park City แห่งแรกของโลกนะคะภายใต้แนวคิดว่าธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งที่ต้องมีนะคะหรือว่า Need to have ไม่ใช่แค่มีนะคะไม่ใช่ nice to have แต่ต้องเป็น need to have นะคะขณะเดียวกันมนุษย์ก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่ง อ, อาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพืชและสัตว์ต่างๆในเมืองเช่นเดียวกับที่ทำในอุทยานแห่งชาตินะคะเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนี้รอนดอนก็เลยตั้งเป้าว่าจะทำให้ 50% เหรือครึ่งหนึ่งของเมืองของรอนดอนเลยนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวให้ได้ภายในปี2050ชาวเมืองจะถูกขอความร่วมมือให้ปรับพื้นที่สีเทา สีเทาต่างๆเช่นพื้นที่หน้าบ้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ลอนดอนเนี่ยเล่านอกเรื่องให้ฟังนิดนึงที่ลอนดอนเนี่ยตามบ้านเรือนเนี่ยเขาก็จะมี อ, อย่างหน้าร้อนนี่ก็จะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่แล้วในในยุโรปนะคะไม่ใช่แค่ที่ลอนดอนด้วยในยุโรปเนี่ยพอถึงฤดูร้อนเนี่ยหน้าบ้านเขาจะสวยงามมากดอกไม้แบบ จะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้คือทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หน้าบ้านาาใต้หลังคาบ้านนะคะเหมือนกับบ้านในเทพนิยายที่จะมีดอกไม้สวยๆอยู่ตรงหน้าต่างอย่างนั้นเลยนะคะหรือส่วนหลังบ้านเนี่ยให้กลายเป็นสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้หรือหญ้ารวมถึงการขุดหลุมบริเวณรั้วบ้านเพื่อให้สัตว์ตามธรรมชาติเช่นเม่นหรือตัวตุน่นสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ แล้วให้ฟังนิดนึงดิฉันไปที่เนเธอร์แลนด์มันจะมีช่วงหน้าที่หน้าหน้าหนาวแล้วก็ก่อนหนาวเนี่ยมันจะมีเป็ดเป็ดชนิดหนึง่งดิฉันไม่รู้จักชื่อมันแต่มันมันจะบินข้ามข้า ม, มาเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำแหล่งน้ำคือหนีหนาวมาว่ายน้ำเล่นรูปเป็นธรรมชาติมากคือเขาเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวมีใครมาเป็นสไนเปอร์ ไม่ต้องกลัวจะไปเป็นลาบเป็ดของบ้านไหนสามารถไหว้เล่นกันเป็นฝูงได้นะคะนี่ฉันยังคุยกับเพื่อนที่ที่อยู่ที่โน่นนะว่าถ้าถ้าเป็นเมืองไทยนี่อาจจะมีเมนูลาบเป็ดหรืออะไรแล้วสักอย่างหนึ่งแต่ที่นั่นเขาให้ความสำคัญกับระบบนิเวศแล้วก็ให้การดูแลอย่างอย่างเข้มงวดนะคะสำหรับระบบนิเวศแล้วก็สัตว์ตามธรรมชาติที่มาอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์นะคะตรงนี้นี่เองที่ทาให้อ ทางทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงในเรื่องของกฎหมายการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะโดยงบประมาณของลอนดอนนะคะกลับมาเข้าเรื่องของเราบงบประมาณของลอนดอนในการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ลอนดอนเนี่ยให้กลายเป็นปาร์คครึ่งเมืองเนี่ยนะคะเาใช้งบประมาณประมาณ12ล้านปอนด์ก็ได้แจกจ่ายไปยังภาครัฐไปยังชุมชนต่างๆทั่วทั้งเมืองเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ เ, เพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีการประเมินว่าเงินลงทุนใน โปรเจก tn ี้เนี่ยทุกๆ1ปอนจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงานของเมืองได้ถึง7ปอนก็คือ1ต่อ7ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมแต่ลดลดเออเขาเรียกว่าอะไรลดเงินดูแลสุขภาพประชาชนได้ลงลงอีก7ปอนเนี่ยคุ้มนะคุ้มสุดๆเลยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นก็บอกตรงกันค่ะว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยเช่น โรคอ้วนความเครียดแล้วก็มลพิษทางอากาศของประชากรลงได้หรืออีกในนึงก็ช่วยให้ประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยลอนดอนจัดเป็นหนึ่งในมหานครที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะหนึ่งในสคือมีมีพื้นที่สีเขียวมากเป็น1ในสของเมืองนะคะเขาจะเปลี่ยนให้เป็นครึ่งหนึ่งของเมืองละอย่างที่ปารีสแล้วก็นิวยอร์กเนี่ย มีพื้นที่สีเขียวอยู่เพียง 10% แล้วก็ 27% ตามลำดับนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยความท้าทายของลอนดอนเนี่ยก็คือต้องเพิ่มต้องเผชิญกับพื้นที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก2ล้านคนจากปัจจุบันก็คือเป็น11ล้านคนภายในปี2020แน่นอนเมื่อจำนวนคนมากขึ้นความต้องการพื้นที่สาหรับสร้างที่อยู่อาศัยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยก็คือ นอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังต้องเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของประชากรด้วยนะคะแนวทางในการแก้ปัญหานี้เนี่ยผู้บริหารเมืองก็ร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลายแห่งนะคะเพื่อที่จะวิจัยแล้วก็ออกแบบบ้านเรือนรูปแบบใหม่ที่ใช้พื้นที่ใช้สอยน้อยแล้วก็กลมกลืนเป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยเชื่อว่าแบบบ้านนี้จะนํามาก่อสร้างได้จริงเร็วๆนี้นะคะรวมถึงการมีแนวคิดเรื่องปลูกผักแนวดิ่ง หรือหลังคาสีเขียวด้วยก็จะถูกนํามาใช้ประยุกต์ในการก่อสร้างบ้านด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าการปลูกพืชบนกําแพงแล้วก็ดาดฟ้าเนี่ยจะช่วยดูดซับกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็มลภาวะทางอากาศรวมถึงลดความร้อนจากแสงดาดทำให้อุณหภูมิในบ้านเย็นสบายแล้วก็ช่วยลดการใช้พลังงานเช่นเดียวกับการช่วยดูดซึมน้ําฝนแล้วก็ดึงดูดสัตว์อย่างนกและพึ่งให้มาอยู่เป็นธรรมชาตินะคะลอนดอนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การจะแต่งเมืองให้เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามเท่านั้นนะคะ แต่ภูมิทัศน์นี้ไม่ได้เป็นแค่ของคน9ล้านคนแต่ยังมีต้นไม้มากกว่า 15,000 หมพันสายพันอยู่ร่วมกับเราการทำให้ ทั้งหมดอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจึงเป็นเรื่องสำคัญอันนี้เป็นดนลเป็นคำพูดของ d ด n นียลราเว e l อ i s o n นะคะหนึ่งในผู้เริ่มโปรเจกต์เมืองอุทยานแห่งชาติที่ลอนดอนเป็นคนกล่าวไว้นะคะนี่ก็เป็นความพยายามของมหานครของโลกที่จะทำให้ผู้คนของเขานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นออมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอยู่กับธรรมชาติได้มากขึ้น back to basic นะคะตอนนี้บ้านเราก็อยากจะดิฉันก็อยากจะทาให้มันเป็นจริงเป็นจังนะ อย่างน้อยก็ส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้เกิดขึ้นสําหรับวันอาทิตย์วันพักผ่อนวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสา ม, มารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18.30 น, นาทีทาง FM 89.5 เมกะ